ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องทรัพย์ของเรามีแต่บุญกับบาปโดยพ่อท่านผูที่รักเมื่อวันที่8เมษายน2533แนละพุทธสถานสติอโศกขอฉันทิติตารละฟังได้นะบัดนี้ ขณะนี้พวกเรานี่มีอะไรกันขึ้นมาเราเรียกว่าวัฒนธรรมนะมีวัฒนธรรมมีความเข้าใจมีความรู้อะไรต่ออะไรขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยเสร็จแล้วเราก็ได้อะไรต่ออะไรกันขึ้นมาเรื่อยๆนใะงานปลุกเสกครั้นี้อาตมาเอาคําว่าวัฒนธรรมนะไปยามไปไปสรุปเป็นข้อสรุปเป็นนิยามคําวัฒนธรรม แล้วก็บอกหลักเกณฑ์ให้ว่าวัฒนธรรมที่ดีมันจะเกิดจากอะไรบ้างในตอนสรุปงานที่จริงเราได้ปฏิบัติกันมาเราได้อบรมกันมาเราได้สร้างองค์ประกอบเราได้สร้างเหตุปัจจัยเพื่อที่จะให้เราได้พัฒนาวัฒนธรรมของพวกเรานนชาวอาโศกเนี่ยโดยอหลักเกณฑ์ของพุทธศาสนาหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลัก เน้นจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเรียนรู้แล้วก็พยายามสร้างจิตวิญญาณให้มีกําลังให้มีพลังที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ดีที่เรียกว่าอากุศลเรียกว่าบาปเรียกว่าทุจริตเรียกว่ากิเลสจนกระทั่งเราสู้กิเลสได้สู้อกุศลสู้ทุจริตต่างๆ ต, ตั้งแต่หยาบกลางละเอียดขึ้นมาได้ปรับปรุงอบรม ฝึกฝนตนเองให้มันได้จริงๆแล้วมันก็เป็นจริงๆขึ้นมาได้เรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆอจากแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็ประสานกันสอดร้อยกันรวมกันเป็นระบบชีวิตมีรูปมีแบบที่หลากหลายแต่ก็มีทิศทางโน้มเน้นไปในทางเดียวกันคอลงเดียวกั น, นคือเป็นไปเพื่อความอิสระเสรีภาพ เป็นไปเพื่อความเป็นพระราดลภาพเป็นไปเพื่อความสันติภาพเป็นไปเพื่อสมัตภาพบุรณภาพเราก็มีวัฒนธรรมของเรามาถึงวันนี้ก็มีอย่างที่เรามีขนาดนี้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่รู้จากชีวิตมนุษย์รู้ว่ามนุษย์มีกินเลดเขาจะรู้สึกอะไรยังไง เขาจะชอบอะไรรักอะไรแบบโลกโลกแล้ว ก, ก็สั่งสมกอบโกยพอใจเป็นเรื่องของจิตวิญญาเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของความสมใจชอบใจเรียกว่าปุตุชนหรือคนธรรมดาธรรมดาจะเป็นเช่นนั้นแม้มนุษย์ทุกวันนี้ได้มีพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนทวนกระแส แล้ก็พยายามลดละกิเลสให้มารู้ความจริงตามความเป็นจริงลดกิเลสได้จริงจนกระทั่งกลายเป็นคนที่มีประโยชน์อยู่ในโลกเพราะถ้าคนที่มีความคิดนึกแบบปุตุชนมีความต้องการแบบปุตุชนเขาก็จะมีทุกข์กันอยู่ตลอดนานับกับการก แ, แย่งกันแย่งสิ่งที่ตนเองหลงว่าควรได้ควรมีควรเป็นนั่นแหละ เกิดมาเมื่อไหรเมื่อไรคนก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่รู้เหตุแท้คือกิเลสแล้วก็มีวิธีการลดละ ก, กิเลสจริงๆคนก็จะไม่หยุดไม่หยุดที่จะแย่งชิงไม่หยุดที่จะกอบโกยแล้วก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงหรือโกรธอาฆาตแก้แค้นหนักหนาสา ก, กันขึ้นเรื่อยๆ นักเข้าก็ซับซ้อนซ่อนเชิงด้วยแก้แค้นกันอย่างชนิดเลือดเย็นชนิดที่หลอกหลอกให้ตายใจว่าเราไม่เป็นคนใจร้ายหรอกเราเป็นคนดีเป็นคนใจดีไม่ได้เอามาหิดโหดร้ายอะไรแต่โหร้ายซ้อนเชิงโ mm. หร้ายซ้อนเชิงแก้แค้นอย่างที่เรียกว่าคนที่ถูกแก้แค้นนั้นไว้ใจหรือตายใจ แต่สุดท้ายถึงหมดเนื้อหมดตัวหรือเป็นาธาตุอันสนิทหมดเนื้อหมดตัวหรือเป็นาธาตุอันสนิทถ้าเผื่อว่าผู้ใดเป็นาธาตุอันสนิทแล้วก็เป็นผู้ที่จะสร้างอะไรให้แก่คนฉลาดคนใดคนหนึ่งที่เป็นนายนั่นน่ะ นายทาตนั่นน่ะได้นายทาตคนนั้นเขาจะไม่ทำลายทาตเขาจะไม่ฆ่าให้ทาตนั้นตายแต่ถ้าทาตขัดใจเขาขึ้นมาไม่สร้างสรรไม่เป็นประโยชน์ที่เขาจะได้ไม่ทำอะไรให้สมใจได้ลักษณะความกโกรธ ก็จะทําให้เขาทํำลายทาตนั้นหรือฆ่าธาตนั้นได้แต่ถ้าเห็นว่ายังมีประโยชน์ยังไม่ถึงคราวควรจะฆ่าเขาจะไม่ฆ่าให้ธาตนั้นตายเขาจะใช้ทาตนั้นไปจนกว่าจะหมดสภาพออยอมให้ตายเป็นที่สุดถ้าได้ตายเองก็ดีธาตนั้นได้ตายเองก็ยังนับวันดี คนในโลกจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้โดยสามมันก็จะรู้เหมือนกันว่าถ้าไม่บังคับได้เป็นทาสโดยไม่ต้องบังคับได้และก็เป็นคนที่จะรับใช้บำเรอ น, นายทาสนั้นอยู่นายทาสนั้นก็จะชอบใจพอใจไปตลอดการ เมืความโกรธหรือโทสะมูลที่ได้สะสมขึ้นมานี่ก็จะเกิดมาจากความไม่พอใจนาะไปไม่พอใจาธาตุนั่นแหละไม่สมใจของตนสิ่งที่จะคิดว่าจะคิดสิ่งที่จะเกิดสิ่งที่จะเกิดในความในจิตและมาเป็นความคิดมาเป็น ทิฏฐิมาเป็นความเห็นมาเป็นความต้องการจนกระทั่งมาเป็นกิเลสเนี่ยมันก็คือสิ่งที่สั่งสมเป็นความเห็นเกตตัวเป็นความต้องการใหญ่ต้องการสบายอย่างที่เขาคิดต้องการได้มากมากได้ทั้งวัตถุได้ทั้งอะไรที่หลงว่าเป็นสุขให้ได้มาสมใจทุกอย่างตั้งแต่ ใหโตมโหฬารยิ่งกว่าโลกในมหาจักรวาลไปจน ก, กระทั่งถึงเล็กละเอียดในพบในชาติในสิ่งที่ตนเองจะวาดวาดเอาไวา้วาดหรือสร้างเป็นวิมานอะไรเอาไว้ก็ตามถ้าเกิดมีความต้องการหรือประสงค์จะได้แม้ในวิมานอย่างนั้นก็จะต้องเอาให้ได้นี่คือฤทธิ์ของความโลก ริดขึ้นความเห็นแก่ตัวแล้วคนก็เดินทางไปในทางนี้กันอยู่ตลอดมีพระพุทธเจ้าเห็นความจริงว่าไอ้เรื่องกิเลสที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ท่านถึงได้หาทางที่จะรู้รู้จักอาการของกิเลสที่มันอยู่ในจิตของคนเนี่ยจิตวิญญาณของคนเนี่ยจนกระทั่งมีวิธีการที่จะลดละ ให้กิเลสเหล่านั้นมันอ่อนตัวเล็กลงหรือตายเป็นที่สุดมันจะประกอบด้วยเหตุปัจจัยหรือเรื่องราวตั้งแต่เล็กแต่น้อยเรื่องไม่ใหญ่ไม่โตจนกระทั่งเรื่องใหญ่เรื่องโตหรือเรื่องละเอียดเรื่องยากเรื่องบ้าบ่บอๆจนจะเป็นหรือว่ายากที่จะเป็นเราก็ต้องมาเรียนรู้แล้วก็ลดละเอาไปให้หมดผู้ใดได้พิสูจน์ แม้ว่ายังไม่หมดได้ลดลงไปบ้า ง, างเราจะเห็นได้ว่าชีวิตของเราในหมดความเป็นธาตุและหลักการของพระพุทธเจ้าที่สำคัญที่สุดก็คือให้เป็นคนที่มีสมรรถภาพให้เป็นคนที่มีความสามารถมีความรู้มีความขยันสูงกว่านั้นก็มีความไม่เห็นแก่ตัวที่จะขยันมีความสามารถมีความรู้แล้วก็สร้างสรรพืชที่จะเกื้อกูลคนอื่น ช่วยเหลือคนอื่นนี่เป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นความประเสริฐของมนุษย์เมื่อไม่บำเรอตนไม่เห็นแก่ตนแล้วยังเห็นแก่ผู้อื่นยังเกื้อกูลผู้อื่นอุ้มชูผู้อื่นที่ยังหลงยังโง่ยังเป็นทาสอยู่ เป็นธาตุมากหรือน้อยก็าตามเราก็ช่วยเขาถ้าเป็นธาตุที่มันไม่สามารถจะฟื้นฟูขึ้นมาได้เลยเราก็เห็นว่าพระธาตุพวกนี้เนี่ยช่วยไม่เคยได้ให้เขารับความหนักให้เขารับความเหนื่อยให้เขารับความลำบากของเขาไปเองบ้างส่วนธาตุผู้ที่สอนได้ผู้ที่แนะนําได้แก้ไขปรับปรุงเข้ามาเป็นอย่างที่ เราได้ศึกษามาจากพระเจ้าแล้วเราได้คุณงามความดีอันนี้มาแล้วจากที่เราเป็นได้คนเหล่านั้นก็จะมาเป็นอย่างที่เราเป็นก็จะพ้นทุกข์ก็จะมีคุณค่าประโยชน์ซ้อนกันขึ้นมาซ้อนกันขึ้นม า, นนนมาแล้วก็จะมาเป็นครูมาเป็นผู้แนะนำมาเป็นผู้ชี้สัจธรรมทำให้คนอื่นมาเป็นตามขึ้นมาได้ขึ้นมาได้นี่เรียกว่าการกอบกู้มนุษยชาติและเป็นที่พึ่งของโลกจริง ถ้าได้มากคนขึ้นมาเป็นคนที่ไม่ต้องพลานต้องเปลืองไม่ต้องบำเบอแม่แต่ตนเองก็ไม่เป็นทาสตนเองเพราะไม่ไปติดในโลกียสุขอะไรมากมายแล้วจนกระทั่งสามารถที่จะช่วยผู้ อ, อื่นให้ปฏิบัติประพฤติมาเป็นอย่างที่เราเป็นได้เรื่อยๆสะสมขึ้นมามีผู้คนอย่างนั้นคือมาเรื่อยๆเป็นกลุ่มเป็นหมูมากๆเขาก็จะสามารถกอบกู้ผู้คน ให้มาเป็นลักษณะเดียวกันที่เราเป็นขึ้นมาได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสังคมในกลุ่มเหล่านั้นก็จะเป็นสังคมรูปแบบมีระบบชีวิตมีจารีตประเพณีมีวัฒนธรรมที่จะอยู่เย็นเป็นสุขมีอิสระเสรีภาพมีพรารดลภาพมีสันติภาพจริงๆมีสมรรถภาพและเกื้อกูลกันอยู่จริงจริงเป็น ชีวิตที่มีวัฒนธรรมที่ดีงามอยู่เยันเป็นสุขมีสันติภาพจริงๆอาตมาทำ ง, งานมาสิบกว่าปีนี้เห็นรูปร่างนะ<ม>เห็นรูปร่าง<ม>เห็นวัฒนธรรมแม่ในพวกเรานี่แหละจะได้ไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่ก็ได้กันขึ้นมาเรื่อยๆนะมีรูปมีเรื่องมีตัวมีตนมีสภาพที่จริงที่ดีเกิดกอบ ก่อเกิดขึ้นมาเป็นรูปแบบเป็นระบบชีวิตจากการได้ทำมาปีแล้วปีเล่าก็10บกว่าปีสร้างเหตุสร้างปัจจัยลอ่อล้อม ส, สรนสางกันขึ้นมาแล้วก็ถ่ายทอดกันไปเรื่อยสอนกันแนะนากันนำพากันอบรมกันสืบต่อเรื่อยมาในคนกลุ่มเล็กๆจนกระทั่งมาเป็นกลุ่มโตขึ้นเป็นสังคมชาวาโศกและ และอาตมามั่นใจว่ามันจะถ่ายทอดเข้าไปประจําในกลุ่มชนอย่างที่เราได้นําพากันขึ้นมานี้จะเป็นเผ่าพันธ์เผ่าพันธุ์หนึ่งเผ่าพันธ์นอย่างนี้แหละอย่างที่เราเป็นกันนี่แหละเสื้ออาตมาเนี่ยจาว่าในเป็นเผ่าพันธุ์ไทยแท้ไทยในแปลว่าอิสระเสรีภาพไทยในแปลว่ากล้าหาญ ไทยเนี่ยแปลว่าอิสระเสรีภาพแปลว่ากล้าหาญเป็นเผ่าพันธุ์ไทยแท้ๆมันสอดคล้องกับคําว่าพุทธพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไทยเนี่ยก็แปลว่ากล้าหาญแปลว่าอิสระเสรีสองอันนี้รวมกันเข้านะพุทธกับไทยเนี่ยรวมกันเข้าแล้วสมบูรณ์หมดเลย เป็นผู้เบิกบานร่าเริงเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้รู้จริงเลยว่าอิสระคืออะไรความเป็นไทยนี่คืออะไรกล้าหาญคืออะไรกล้าหาญไม่ใช่เป็นผู้ลุกรานคนอื่นผู้กล้าหาญนี่ไม่ลุกรานใครผู้ที่ลุกรานใครอยู่คือผู้ขี้ขลาดลุกรานเขากลัวแพ้ ผู้ที่รุกลานเขาอยู่นี่คือผู้ที่กลัวแพ้ผู้ที่เป็นกลัวแพ้แล้วกล้าหาญแล้วไม่เป็นรุกลานใครหรอกอเหมือนเสือใหญ่เนี่ยที่จริงเสือมันลุกรานอยู่เหมือนกันนะสมมุติเท่านั้นเองเหมือนช้างใหญ่เสือใหญ่เนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยมายั่วมาแย หรือสิงโตใหญ่ๆราชสีใหญ่ๆมายุมาแยงไม่อะก็รู้อยู่ว่าอย่างนั้นน่ะเราก็ค่อยปัดเบาๆไปมันก็ไปแล้วราชสีใหญ่ช้างใหญ่ก็เคลียร์ๆเบาๆไปก็ไปแล้วไม่ต้องไปรุกรานอะไรเขหรอกเพราะไม่กลัวรู้อยู่ว่าโถมันจะมีอะไรแค่นั้นเคลียร์ๆไปเอออะไรมาๆมายุ่งเ ม, มื่อก็เราเห็นเด็กสนสนเด็กสนสนไม่มีริดไม่มีแรง ทำอะไรให้เราเสียหายหรือทําให้เราเจ็บเราให้เราทุกข์ทำให้เราปวดทําให้เราเป็นภยัยเป็นพิษอะไรไม่ได้หรอกเมื่อเราแน่ใจว่าเราองค์อาจกล้าสมบูรณ์ถึงขนาดนั้นเพราะงั้นมันจะไม่กลัวเพราะคนที่กลัวนี่จะต้องแห่แห่ไว้ก่อนแล้วจะต้องป้องกันไว้ก่อนแล้วดีไม่ดีก็จะไปข่มเหงคนอื่นเขาด้ซ้ำนั่นไม่ใช่ผู้กล้าผู้กล้าจริงๆที่มีจิตใจบริสุทธิ์เป็นจิตใจผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้ว ย่อมรักความเบิกบานไม่ย่อมย่อมไม่รักความเศร้าหมองทุกร้อนเพราะย่อมไม่ให้ใครทุกร้อนด้วยเราก็ไม่ทุกร้อนและคนที่สูงสุดเป็นพุทธที่เต็มสมบูรณ์เป็นอริยะถึงขั้นสมบูรณ์แล้วจะไม่มีเศร้าหมองมีแต่เบิกบานราเริงไม่มีเศร้าหมองเพราะจะเมื่อเราตัวเองไม่เศร้าหมองตัวเองก็จะต้องรู้ความไม่เศร้าหมองว่ามีรสอย่างไร แรถนั้นเระเป็นรถที่เราจะต้องอาศัยรถไม่เศร้าหมองรถเบิกบานรา่าเริงมันดีอาศัยรถนี้ไม่ปรารถนารถอื่นเพราะรถอื่นมันคือรถทุกรถโศกทุกอะไรอะไรนาะนาะนะสารพัดที่จะใช้ภาษาในเชิงที่ว่าพอบอกภาษาขึ้นมาหรือว่าสภาพนั้นออกมาถ้าเราอธิบายสภาพนั้นออกมาสู่กันฟังก็จะรู้ว่าเป็นสภาพที่ไม่น่าเป็นไม่น่ามีไม่น่ า, ไ, นาได้เราก็ไม่ได้อยากให้ใครได้ พุทธิสมบูรณ์แล้วเป็นอริยเป็นผู้รู้จริงแล้วก็ไม่อยากให้คนใดคนใดไปได้สภาพทุกข์สภาพที่ไม่น่าได้น่าเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อตัวเราเองเราก็สแสวงหาเราก็พยายามภาคเพียรเอาเป็นคนที่จนกระทั่งได้ความเบิกบานร่าเริงไม่ทุกข์เลยแล้วทําไมจะต้องให้คนอื่นไปได้ทุกข์ด้วยเล่ามีแต่จะช่วยคนอื่นมาให้ได้สิ่งที่น่าได้อย่างนี้จนกระทั่งไม่ต้องมีแม้แต่ขณะเดียว ที่จะทุกข์ก็ต้องช่วยเขาคนเป็นคนวามคนที่มีความรู้คนที่เป็นคนรู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพุทธะได้จริงแล้วแล้วเรื่องอะไรจะต้องไปให้คนอื่นเขาทุกข์ต้องไปให้คนอื่นเขาจะต้องไม่เบิกบานร่าเริงเขาไม่รู้ตัางหางและเขาก็ไม่ตื่นยังงมโคงอยู่ในวงวัฏฏะหรืออยู่ในกลาครอบ อยู่ในโลกที่มืดมืดอยู่ในโลกที่วนวนที่เคยหมุนอยู่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกมาจากห่วงแรงดูดอันวนวนนั้นได้อยู่ในจั ก, กรวาลที่ทุกข์อยู่ในโลกียะจั ก, กรวาลที่เรียกว่าโลกียะทุกข์เพราะไปเป็นธาตุลาบยศสันเสริญโลกียสุขนี่แหละแล้วก็หลงว่าโลกียสุขนั้นะเป็นสิ่งน่าดายน่ามีน่าเป็นเพราะมันหลอกหลอกหลอกมานานแล้วไอเรื่องโลกียสุขเนี่ย ถ้าเราไม่สามารถล้างรถอร่อยโลกยีสุที่ออกได้หมดทุกเรื่องนะเราก็ไม่อิสระเสรีภาพสมบูรณ์มันจะอิ ส, อสระเสรีภาพสมบูรณ์มาเป็นไทยที่แท้หรือเป็นพุทธสมบูรณ์จริงๆอาตมาพยายามพูดให้เห็นความต่อเนื่องให้เห็นความพัฒนาจากรกษนะของคนในโลกเป็นปุตุชนที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยจนกระทั่ง มาเรียนรู้ศีลรู้ธรรมรู้ทฤษฎีชีวิตรู้เนื้อหาแก่นสารของชีวิตเลิอกอะไรละอะไรจนมากลายเป็นคนที่จะมีคุณค่าประโยชน์จริงๆเป็นคนมักน้อยอภิชฌาเป็นคนสันโดษใจพอวันๆหนึ่งเราสร้างสรรได้มากแต่เราก็เอาไว้น้อยหรือไม่เอาไว้เลยก็พอสบายสงบใจ ใจวิเวกไม่ตื่นเต้นไม่เดือดร้อนไม่โหยหาไม่อวบนไม่มีสวรรค์เลยอสังสัก ข, ขะสวรรค์ห่อห่อนะนะนะก็สบายสบายมีวิริยารำพะปรารบความเพียรเป็นคนมีความขยันความเพียรอยู่เรื่อยเป็นอัตโนมัติเลยรู้ว่าความเพียรเป็นเป็นคุณภาพของมนุษย์ เป็นความประเสริฐของมนุษย์มนุษย์ไม่มีความเพียรไม่มีความขยนันมันไม่ประเสริฐหรอกมันไม่มีคุณภาพหรอกหรือใครว่าคนขี้เกียจเป็นคนมีคุณภาพใครอายุน้อยที่สุดใครโง่ที่สุดถามคนนั้นก็คงตอบได้แต่จริงๆแล้วเรมัดพัฒนาแล้วพูดไปแล้วก็วนอีกละ ยี่ในโลกจะเป็นคุณยิงคุณนายขี่นิ้วขี่เกียรแม้แต่กระทั่งมือตีนก็ไม่รู้จากล้างจากเช็ดเองอ่ะแล้วก็แหมเป็นหลงจะนิยมชมชื่นกับคนอย่างนั้นเขามากเลยทุกวันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยอู้เขามีบุญมีบุญขี่มาอะไรมีบาปเป็นหนี้อยู่ตลอดกาลนานให้แต่คนอื่นช่วยมีบุญที่ไหนมีแต่บาปรู้จากบาปจะบุญให้ชัดเมื่อถ้าเราเองเป็นผู้ทําเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ช่วยผู้อื่นด้วยนี่สิบุญ คนลงทุนลงแรงจริงๆลงไปนี่สิบุญได้สร้างได้กอบได้ก่อนี่สิบุญนี่แหละคุณค่าประโยชน์บุญจากแรงงานจากความรู้จักสิ่งที่จริงลงไปเนี่ยสร้างแล้วเราก็ไม่เอาอะไรแลกเปลี่ยนกลับคืนมาหรือซ้ําแจกจ่ายไปเมื่อเรารู้บาหรู้บุญที่ชัดรู้วิธีที่จะเป็นคนก่อบบุญเป็นคนมีสวรรค์ที่แท้ไม่ใช่สวรรค์ ลวงๆด้วยสวรรค์บำเรอเป็นสวรรค์ห่อหอสวรรค์เสพจากได้อะไรบำเรอไม่ใช่สวรรค์อย่างประเสริฐเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์เพราะันถ้าเผื่อว่าวัดตะสงสารของเรายังไม่จบเราจะเวียนไหวตายเกิดอีกสิ่งเหล่านี้เป็นกรรมทายาโทเป็นผลรวิบากของเราเป็นกุศลระวิบากของเร า, เ า, เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะมีคนมาแย่งไม่มีแย่ง กรรมเป็นของเราเราทํากุศลเหล่านี้เป็นของเราล้วคุณยังจะต้องเกิดวนเวียนมาอยู่มันเป็นสมบัติที่สั่งสมจริงๆนะจะรูปสวยจะมีซัย์สริงคารจะเข้าใจผิดอยู่ว่าจะต้องมีลูกที่จะต้องไปสืไปสืพัน์ไปสมสู่มามีแต่คุณยังไม่ไดเรียนโลกุตระก็ว่าไป ถ้าคุณมีทรั์คุณมีความขยันคุณก็เลี้ยงเขาได้ดีทีนี้ถ้าเรารู้ลึกซึ้งจนไปจน ก, กระทั่งมาเป็นผู้ที่เรียนธรรมะของพระเจ้าแล้วยิ่งเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี่จะมีลูกจำนวนพันเป็นอเนกและยังแถมลูกแต่ละคนนั้นมีคุณภาพด้วย สรุปคำง่ายๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เนี่ยว่ า, าลูกเป็นพันเป็ น, นเน็ต้วเป็นผู้แกล้ากล้าอาถรรพ์เป็นผู้อะไระอะรท่านสาธยายไว้ว่าลูกของพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ยจะต้องเป็นคนอย่างนั้นด้วยแล้วจริงๆพอเลือกเอาคนไหนมันไม่แกล้ากล้าอาถรรพ์มันไม่ดีไม่เอาเป็นลูกแล้วใครก็มาว่าไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้ไปไปไปสืบเชื้อผสมพันธุ์ออกมาจากไอ้รูปธรรม เราคัดเลือกเอาลูกคนไหนคนไหนยินดีจะมาเป็นลูกเราแล้วเราก็จะเลี้ยงบอกแล้วว่าคําว่าลูกเนี่ยในข้อนึงว่ามีบุตรเนี่ยเพราะฉะนั้นบุตรที่ลึกซึ้งของพระเจ้าพ่อแม่ที่ลึกซึ้งของพระเจ้าจึงใครมีสมาธิฐิก็คือผู้เห็นได้เลยว่าพ่อมีแม่มีพ่อแม่นี้ให้กําเนิดทางวิญญาณทางสต้าโอปปาติกา ลูกทางจิตวิญญาณเนี่ยมันเลี้ยงดูทางจิตวิญญาณเขาให้เกิดมาให้จิตวิญญาณเขาเป็นคนที่ดีเป็นคนประเสริฐคนที่จะรับเป็นลูกต้องมีความประเสริฐเป็นความดีลูกพระโพธิสัตว์จึงมีได้เป็นพันเป็นอนเนกอาตมาเคยพูดนะว่าถ้าอาตมาไปมีเมียหรือไปมีผู้หญิงสมสู่โอ้ชีวิตนี้นี่ขนาดนี้อายุขนาดนี้มาแล้วนี่จะได้ถึงร้อยสองร้อยไมเนี่ย เอสมสู่ไปเถอะวันวันคืนคืนสมสูบไปมีเรี่ยวแรงกําลังอะไรสมสูบแล้วมันก็เกิดมามันก็ะทองมันกระพุทธออกมาคลอดออกมาเนี่ยมันจะได้กี่ร้อยแล้วเนี่ยมันจะถึงพันไหมเราชาตินี่ยจนอายุแปดสิบปดสิบก็พยายามอยู่นะเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วก็ยังจะพยายามสร้างมันมันจะได้ถึงพันจริงหรือนะจะมีเรี่ยวมีแรงมีเวลาพอจะมันไม่ได้หรอก มันไม่ได้เราไอ้ลูกยังงั้นจึงไม่ใช่เพราะพ่อแม่อยางงั้นเราไม่สงสัยหลอกจากกตัญญูกตวเวทีอัตมาก็ไม่เคยสอนเลยว่าไม่ให้กตัญญูกตวเวทีแต่ต้องรู้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเรามีพ่อมีแม่อย่าว่าแต่พ่อแม่มีคู่เดียวเลยมีพ่อแม่หลายคู่อีกนะ ต, ต้องพ่อแม่ให้ดีๆเนี่ยจะมีทิฏฐิที่รู้ว่าพ่อรู้ว่าแม่โอ้คนเราเกิดมารูปร่าง โดยร่างโดยกายโดยขันธ์หานี่เออมีพ่อมีแม่อย่างนี้คู่เดียวก็ถูกแล้วอย่างนี้ไม่ต้องให้พระพุทธเจ้าสอนล็อกไขก็สอนได้พ่อแม่นะอย่างนั้นอะ่ะแล้วไม่ต้องสอนมันก็รู้อยู่แล้วด้วยเกิดมามันก็รู้แล้วนี่คือพ่อนีน่คือแม่มันก็รู้แล้วมันจะไปต้องสอนอะไรกันเล่ามันสัมมาทิฏฐิกันหมดแล้วไอ้อย่างนั้นอ่ะแต่สัมมาทิฏฐินี่ไม่ได้มีข้อมาตื้นแค่นั้นสัมมาทิฏฐินี่มันจะต้องรู้ว่าโอ้นี้เป็นพ่อจริงๆคนนี้มีเป็นแม่นะสามารถทําให้จิตวิญญาณของเราเกิดจริงๆรินะ เกิดเป็นเทวดาแท้เป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาที่บริสุทธิ์สะอาดจากกิเลส ข, ขึ้นมาได้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมมีคุณค่าประโยชน์จริงๆขึ้นมาได้คนนี้ก็ช่วยเป็นแม่นิดหนึ่งคนนี้ก็ช่วยเป็นพ่อนิดหนึ่งคนนี้ก็ช่วยเป็นแม่สองนิดคนนี้เป็ช่วยเป็นพ่อสองนิดห้านิดแปดนิดเออพ่อแม่เราเยอะนะถ้าจะเอาตัวตนบุคคลถ้าเอาศีลเอาธรรมเอาพิมพ์เอาแบบ ก็เป็นพ่อเป็นแม่อีกเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์อีกเป็นพิมพ์เป็นแบบที่ทําให้เกิดจิตวิญญาณจิตวิญญาณตองเกิดขึ้นมาได้พัฒนาขึ้นมาได้จริงๆริงนี่ยเราต้องมีญาณมีปัญญามีดวงตามีทิฏฐิที่รู้ได้เห็นได้ชัดใด้บอกโอ้พ่อแม่ไม่ใช่ภาษามนุษย์ตื้นคําว่าพ่อมีแม่มีสัตตาอปปาติกะมีจิตวิญญาณมีและจิตวิญญาณเกิดเป็นเทวดาหรือตกต่าเป็นสัตว์นรกได้ มียานมีปัญญารู้ความจริงตามความเป็นจริงอันนี้จริงๆ จ, งจึงจะเรียกว่ามีสมาธิพ้นมิจฉาทิฐินะเพราะนั้นเราก็มาศึกษาฝึกฝนแล้วก็พยายามที่จะพัฒนากันขึ้นมานะให้เป็นผู้ที่จะมีภูมิธรรมสูงมีศีลมีธรรมนั่นเองสุดง่ายเมื่อมีศีลมีธรรมมีภูมิมสูงขึ้นมาเรื่อยๆรเราก็จะเข้าใจถึงแม้แต่รูปแม้แต่ซับแม้แต่รูปแม้แต่รับแม้แต่บุตร ความขายันมีทั้งนั้นมีทั้งนั้นและมีในลักษณะที่ดีจริงๆด้วยโดยเฉพาะตัวศีลอย่างที่ว่าในข้อมีศีล น, นี่แหละเพราะมีศีลขัดเกลาสร้างสรรศีลทําให้เราเป็นอรหันต์อย่างสมบูรณ์ได้โดยลําดับเพราะเรารู้จกักศีลแล้วก็ทําให้ศีลมันจะเริญขึ้นมันเป็นกุศลขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ มันก็จเจริญจริงๆเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะมีทรัพย์ในโลกนี้เนี่ยเกิดมาเป็นคนโลกๆ ก, ก็ได้แต่แค่ทรัพย์วัตถุทรัพย์อะไร อ, อะไรที่พาให้ทุกข์ให้ร้อนเสร็จแล้วมันไม่เด็กเจริญจริงไม่ได้เป็นสุขจริงเลยต่อให้มีทรัพย์เศรษฐีอีกนานับที่มีทรัพย์ทางโล ก, กอย่างอาตมายกตัวอย่างให้ฟังต้องอยู่อย่างอับเฉา ใครไปตามหาอ่านประวัติชีวิตของโฮเวิร์ธฮิวหน่อยเถอะเป็นมหาเศรษฐีของโลกคนหนึ่งโฮเวิร์ธฮิวใครเคยอ่านแล้วบ้างประวัติโฮเวิร์ธฮิวเออสามี่หคนประวัติโฮเวิร์ธฮิวเสร็จแล้วตายเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะตายอยู่ในที่ที่ไปเช่าอยู่ในโรงแรมบ้านก็มีเยอะแยะจะซื้อคาห์ฮา์ดปราสาทอะไรเขาก็ซื้อไว้แต่อยู่ไม่ได้ต้องไปเช่าอยู่โรงแรมกี่ชาติไม่รู้อยู่โน่นะ่ะ จะติดต่อกันทางเฮลิคอปเตอร์คนแปลกหน้าก็ไม่รับต้องมีคนอีกชั้นหนึ่งต่างหางเลยรับมาต่อทอดคือมาเป็นคนที่ไว้ใจสนิทแล้วจะค่อยมาถึงตัวขี้กลัวถึงขนาดนั้นนะจิตปิญญาเห็นไหมเป็นมหาเศรษฐีนี่จะประวัติคนจริงไม่ใช่เป็นเรื่องนิทานนะคุณฮอวเวิฮิลสุดท้ายตายไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ก็เห็นเลยจนจะเน่ า, อ ย, าอย่าว่าจะเรียกค่าถ่ายเลยสารพัดเนี่ย เนี่ยชีวิตมนุษย์ถึงแม้อย่างนั้นจดตามไม่ถึงขนาดโฮเวิร์ดฮิวก็ตามเกิดมาแล้วก็มีทรัพย์สริงคานแล้วก็ทุกข์ร้อนฆ่าตัวตายเยอะแยะไปไม่ฆ่าตัวตายก็เพราะทรัพย์เราเป็นภัยแก่ตัวเราเป็นภัยแก่ตัวเราไม่เป็นสุขอไม่เป็นสุขอ่ะอย่างงั้นเราเห็นง่ายเสียทุกวันนี้ดิค่ากันตายก็เพราะมันไปใช้กลละเม็ดกลละเลอะไรกินเหลี่ยมกินคูอะไรกัน แย่งชิงกันไอ้อย่างนั้นง่ายต่อให้ร่ารวยบริสุทธิ์ก็ตามคนก็ปองรายอยู่นั่นแหละคุณไม่ต้องไปก่อแบบเสียแบบเจ้าพอ่อเจ้าแม่อย่างทุกวันนี้รอกให้รวยบริสุทธิ์เลยนะมันก็คนจะปองเอาอยู่นั่นแหละเขาก็อยากได้เขาก็จามาแย่งมาชิงอยู่นั่นแหละใช่ถ้าไม่ศึกษาศีลไม่ศึกษาธรรมไม่ให้เกิดญาณปัญญาที่รู้ว่ามีทรัพย์แล้วไม่เป็นทุกข์จะเป็นอย่างไร สุดท้ายไม่ต้องมีทรัพย์เลยแล้วไม่เป็นทุกข์เลยเป็นสุขจะเป็นอย่างไรนี่สิยิ่งยอดประเสริฐใจแต่พระธมเไม่ได้หมายความว่าเราไรสมตรติภาพเราไม่สร้างทรับเราสร้างแต่สร้างไปแล้วมันก็เป็นเศรษฐกิจที่ดีเศรษฐศาสตร์ที่ดีสร้างพับสะพัดสร้างพับสะพัดสร้างพับสะพัดเป็นคนมักน้อยอปิฉฌสันตุิปวิเวกะอสังสัก ข, ขวิยารัมภะ ศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะมีกถาวัตถุสิบพวกนี้อย่างครบคันสมบูรณ์ได้ฝึกฝนอบรมจนมีทุกอย่างมีความมักน้อยมีความสันโดษมีความวิเวกมีความสงบร่งับสบายมีความไม่มีสวรรค์อสังคคะไม่เกี่ยวไม่คล้องแต่เกี่ยวข้องภาษาว่าไม่เกี่ยวไม่คล้องนี่ไม่ใช่ไมเกี่ยวข้องกับคนบอกแล้วเกี่ยวข้องสมัครสมานประสานอยู่กับคนไม่หนี มีสวรรค์อันพิเศษไม่ใช่สวรรค์ลวงๆไม่ใช่สวรรค์ไม่เข้าทา่าวิิยาลำพพะขยันมันเพียนเกื้อกูลกันอยู่นี่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติมีวิมุตติยานทัศนะมีจริงๆคนที่อบรมตนเป็นได้อย่างนี้แหละเป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามียิ่งกว่าคนไปแย่งชิงกันอยู่นี่ แม้แต่จะข้ามชาติไปสิ่งเหล่านี้เลยเป็นของที่ได้ของเราข้ามชาติไปก็จริงอีกจะข้ามไปกี่ชาติพระอาตมามีสโลกไปให้งานพุท ธ, ธาพิเศษคราวนี้ที่บอกว่าอย่าทิ้งธรรมอย่าห่างเว้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้เป็นเป็นตัวบอก เตือนสติไว้เพราะถ้าผู้ใดทิ้งธรรมผู้ใดห่างเว้นธรรมแล้วจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีทรัพย์สมบัติใดที่ผู้เกิดมาเป็นคนควรจะได้และได้ให้แก่ตนจริงๆเลยไม่มีไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆที่คนควรจะได้หรือได้ให้แก่ตนจริงๆไม่มีนอกจากทรัพย์สมบัติที่เป็น อาตมาใส่ในเครื่องหมายคำพูดไว้เลยว่าวิบากกรรมหรือวิบากธรรมวิบากธรรมก็เอาทอทอทงรอหันมอซะเลยนอกจากอันนี้นอกนั้นไม่มีอะไรควรได้หรือว่าได้จริงๆเลยมันไม่จริงได้มาห้ามืนล้านมันก็ไม่จริงเดี๋ยวตายไปมันไม่จริงเดี๋ยวก็ตายจากกันห้ามืนล้าน คุณจะทําพินัยกรรมเอาไว้หรือไม่ทำพินัยพินัยกรรมมาไว้ก็ตามคนอื่นมันก็เอาไปแล้วคุณก็ไม่ได้เอาไปเอายัดใส่ปากไปลองดูสักบาทเดียวต้องเอาไอ้สิ่งที่มันละลายไปไม่เป็นธาตุน้ํานะเดี๋ยวเป็นธาตุน้ําเป็นธาตุแก๊สไปหมดเอาไอ้ที่มันเป็นธาตุวัตถุมัง่งเป็นธาตุโลหะอะไรนี่เขาเอาใส่เผาวไว้ก็นั่นแหละละลายกองอยู่ลุใต้กองฟอนนั่นเนี่ยเนไปไม่เอาไปได้สักอย่างไม่เป็นจริงเลย ต่อให้ยศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ไม่ไปกับคุณแต่มีวิบากกรรมเท่านั้นที่จะไปกับคุณนั่นนหะจริงกว่าทรัพสมบัติที่จริงกว่าฟังดีๆนะไม่มีทรัพสมบัติใดที่ผู้คนเกิดมาเป็นคนควรจะได้และได้ให้แก่ตนจริงๆเลยนอกจากทรัพสมบัติที่เป็นวิบากกรรมหรือวิบากธรรมเข้าใจแล้วยัง ดังนั้นทรัพย์สมบัติที่มนุษย์จะพึงได้จริงนั้นก็มีแต่กรรมที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเราทําของเราอย่างไม่เป็นธรรมมันก็เป็นของเราทําอย่างเป็นธรรมก็เป็นของเราก็มีแต่กรรมที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมที่ตนทําหรือไม่ทําลงไปจริงเท่านั้น กรรมที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมที่ตนทําหรือไม่ทําถ้าไหนเราเห็นว่าเป็นอกุศลหรือว่าไม่ยุติธรรมเราก็ไม่ทําอันไหนเป็นธรรมยุติธรรมดีเป็นกุศลดีเราก็ทํเพราะฉะนคุณจะทําหรือไม่ทำมันเป็นกรรมของคุณทั้งนั้นแหะกรรมที่ไม่ทํำก็คือกรรมที่ไม่ทํากรรมที่เป็นกรรมที่คุณทําก็คือกรรมที่คุณทํา คุณทํากรรมใดไว้จริงอันนั้นแหละเป็นสมบัติของคุณกรรมเท่านั้นแหละเป็นสมบัติคุณก็เป็นทายาทของกรรมนี่เท่านั้นแหละทจะได้จริงๆนะนะสรุปก็คือบุญหรือบาปเท่านั้นฟังดีๆนะคนทุกวันนี้ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาป ไม่เชื่อกุศลไม่เชื่ออกุศลดีเชื่อละดีอาตมาก็เรามาหาคนจะเชื่อบาปเชื่อบุญบาปอย่าพึ่งทำทำเต็มบุญก็แล้วกันหากคนอย่างนี้จริงๆอ่ะเพราะงั้นคนที่นี่เรากำลังสั่งสมเรื่องนี้ใครไม่เชื่อก็เรื่องของเขาจริงๆเราจะไปทำยังไงบังคับกันไม่ได้ใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ ใครจะเชื่อก็มาทำสิมันทำขนาดที่รู้เลยว่าบุญมันมีจริงกุศลมันมีจริงมันดีจริงมันติดตัวติดตนจริงยังทำยากจะตายเดี๋ยวไม่มาภาคเพียรเอาแล้วมันจะไปได้อะไรเป็นๆ น, นี่ก็ได้แล้วทำปุ๊บเดี๋ยวนี้ก็เป็นเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ทำไปแล้วสืบเนือ่องติดต่อไปอะไรก็เป็นของมันไปจริงๆตลอดกาลนานนะเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดจึงพึงสะสมบุญที่เป็นอริยสัพย์ นะกำหนดลงไปให้ชัดลงไปเองว่าบุญที่เป็นอริยทรัพยนะ์ให้ดีให้ได้ดีที่สุดสูงที่สุดมากที่สุดให้ได้อย่างนั้นนะนี่เรามีเป้าหมายอย่างนี้นะมีเป้าหมายที่เราได้ภาคเพียรสร้างสรรกันมาสอนเรื่องบาปเรื่องบุญสอนเรื่องกุศลเรื่องอกุศลแล้วเราก็มาพิสูจน์กัน สร้างหมู่กลุ่มที่มีจารีตประเพณีมีวัฒนธรรมมีทิฐิความเห็นความเข้าใจมีความฉลาดอย่างเรานี่แหละเขาจะว่าเราโง่ก่อนแล้วไปแต่เราว่าเราฉลาดเขาว่าเขาฉลาดที่ไปโกงคนอื่นได้เป็นคนที่เชื่อนิ่มๆคนอื่นได้โดยที่คนอื่นเขาหลงซะโดยซ้าว่าตัวเองเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์ เ, เป็นนายท่าที่วิเศษ ก็เรื่องของเขาเขาจะไปสนนร้างนั่นของเขาเราไม่เอาอะเราก็ามาเป็นอย่างที่เราเป็นนี่แหละเป็นคนสร้างสรรค์เกื้อกูลแจกจ่ายเขาจะหาว่าเราเป็นคนรับใช้เป็นข้าทาสของมนุษย์โลกทําแล้วทําไมไม่กินไม่ใช้ทําแล้วก็ไปให้คนอื่นก็กินก็ใช้หมดไม่กักไม่ตุนไม่สะสมไว้เออ มีเงินซื้ออะไรได้มากๆก็ไม่เอาเออมันมันหมือนก็มือทรมานตนเหมือนกับมาทรมานมาทำเราตรงเน็ตเยเหนื่อยหนักหนาอยู่ซึ่งในสัจส่วนของความพอดีเนี่ยพระพุทธเจ้าเรีนสอนเรานะมัชฌิมาหรือพอดีหรือสัมมาหรือลงตัวนี่มัชฌิมาไม่ใช่ภาษาตื้นๆง่ายๆนะมันต้องค่อยๆเจียนลงมากว่าจะมาสู่มัชฌิมาหรือสัมมาได้สูง ได้ลึกซึ้งละเอียดจนกระทั่งสุดท้ายนี่น้อยก็สมาน้อยก็มัชฌิ ม, มาลงตัวได้แล้วกินก็แค่นี้ไม่ต้องห่วงหาอาววาะอะไรใช้ก็แค่นี้มีปัจจัยสีมีเครื่องกินเครื่องใช้มีเครื่องหนุงหม่มมีบ้านช่องเรือนชานจะพักอาศัยไม่มีก็ปักตรดนอนดินนอนหญ้าอะไรก็ได้ไม่สะสมยารักษาโรคไม่มีก็ดื่มน้าเยี่ยว ที่จะเป็นไปเพราะงั้นปัจจัยสีไอ้แค่นี้ถ้าไม่เจ็บไม่ปวดก็จะต้องไปกินมันทําไมเรายาใช่ไหมเจ็บป่วยหรือว่าเราจะต้องรักษาสุขภาพอนุนันี้พอเป็นพอไปแล้วก็กินยาก็ท่อนั้นท่อนี้มีปัจจัยสีไว้แล้วนอกนั้นบริการเครื่องใช้ก็มีความฉลาดจะทําใช้มีปัญญาทําไมโครโฟนใช้ก็ทําไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่มีก็ไม่เป็นไรตะโกนเนาะพูดมันไม่เสียงไม่ดังก็ตะโกนเน า, เามั่ง พอเป็นไปมีปัญญาสร้างก็สร้างไม่ต้องไปเบียดเบียนใครมีปัญญาสร้างโต๊ะสร้า ง, ต, งตังอะไรขึ้นมาใช้ก็สร้างไปมีจานมีช้อนมีชามสร้างใดก็สร้างไปเครื่องใช้เครื่องสอยเครื่องทุนแรงพอเป็นพอไปไม่ได้ทําไปเพื่อที่จะไปเข้าระบบทุนนิยมกลายเป็นเรื่องที่จะต้องลาต้องสร้างผลิตให้ได้เปรียบเขาแล้วก็เอาอำนาจความได้เปรียบนั้นะไปซับซ้อนเชิงชั้นเป็นกลเรื่องซับซ้อนเป็นเชิงกลที่โหดร้าย เกชดชกเป็นกลกลอมมหิตไม่ใช่กลปราณี <ทำ S 1> ก็ทำสิทำพอใช้พอสอยถ้ามันสัพพักันอยู่ในหมู่กลุ่มสังคมนี่มีระบบชีวิตมีวัฒนธรรมที่ดีแล้ววัฒนธรรมคือรูปแบบหรือระบบชีวิตที่เหตุและปัใจจัยในอดีตได้หล่อหลอมสร้างสรรค์ขึ้นมา แล้วถ่ายทอดสืบต่อกันมาเรื่อยๆในกลุ่มคนจนมีในสังคมเป็นประจำเผ่าพันธุ์นี่เราเรียกว่าวัฒนธรรมวัฒนนี่แปลว่าเจริญนะวัฒนาไม่ได้แปลว่าหายนะนะแต่ถ้าเผื่อว่าสิ่งที่เป็นรูปแบบหรือเป็นระบบชีวิตที่ เหตุปัจจัยในอดีตได้หล่อหลอมหรือว่าสรรสร้างขึ้นมาแล้วถ่ายทอดสืบต่อกันมาเรื่อยๆในกลุ่มคนในสังคมหรือประจําเผ่าพันธุ์นั้นเป็นไปเพื่อความทุกข์ร้อนเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความผลานัน่นไม่ใช่วัฒนธรรมหรอกเรขายนธรรมแล้วมันจริงๆมันมีอยู่ในสังคมเนี่ยมันทําอยู่เป็นรูปแบบเป็นระบบชีวิตเนี่ยสังคม อย่างปุตุชนเนี่ยพูดกันง่ายๆเลยอย่าไปว่าไปว่าไปว่าเขาเลยมันก็ว่านั่นแหละเ น, นี่ยเป็นระบบชีวิตเป็นรูปแบบที่เขาเป็นค่านิยมตอนนิยมกันอยู่แล้วตำามกันทําไปเนี่ยสืบทอดกันไปเป็นวนัฒนธรรมฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟวย เ, เห่อเหอมแย่งชิงขี่โลภเอาเปรียบเอารัดเป็นตัวอย่าง เ, เป็นผู้ดีก็คือผู้ที่ขี้เกียจอะไรเงี้ยเป็นผู้ดีคือผู้ไม่ทํางานได้เปรียบเขาเงี้ย เป็นผู้ดีก็ไเปพูดที่เสพโลกียสุขอย่างที่เรียกว่าอยากจะเสพสุขอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าโลกียสุขมันไม่น่าเสพหรอกไม่น่าจะไปผลานพระ่าไม่น่าจะไปเปลืองเป็นรองอะไรก็ได้ไม่ใช่รองธรรมดาด้วยติดด้วยน่ น, นะปุถุชนก็เป็นอยู่ในสังคมโลกมนุษย์อย่างนั้นเขาก็มีสืบทอดกันมาในกลุ่มคนจนกระทั่งมีในสังคมจนกระทั่งประจาเผ่าพันธุ์ด้วยเป็นเผ่าพันธุ์ปุถุชน มันไม่ใช่วัฒนธรรมนะหายนนธรรมแต่เขาก็เรียกวัฒนธรรมเขาเรียกนะเขาเอาภาษาไปเรียกวัวฒนธรรมนะแต่มันไม่เป็นไปวัฒนธรรมทุนนิยมนี้เป็นต้นวัฒนธรรมทุนนิยมเนี่ยพาทุกนะไม่เชื่อคุณก็ไปอยู่กับเขาเถอะขยันดิ้นรนเขาจะไปสร้างสรรค์เขาจะไปอบรมเขาจะไปเป็นคนที่มีค่านิยมมีความเป็นไปในระบบชีวิตแบบนั้นก็ไป ใครจะมาอยู่ในระบบชีวิตอย่างนี้ก็มานี่คือวัฒนธรรมอย่างนี้ไปอย่างน้องกับระบบชีวิตอย่างนอนวัฒนธรรมอย่างนอนตอนนี้เรามีสองฝากคนเราฝักฟ้าแนวโน้นฝากฟ้าหนึ่งนี่อีกฝากฟ้าหนึ่งใครจะเลือกฝากฟ้าไหนมันแบ่งโลกเป็นสองซีกไม่ได้มันก็อยู่ในโลกเดียวกันนี่แหละแต่มันก็อยู่กับคนเราภาษาซะภาษาเรียกว่าคนเราฝักฟ้า นี่อีกฝากฟาดหนึ่งมาเป็นอย่างนี้มาพิสูจน์กันดูอมาพิสูจน์กันจริงๆประการวัฒนธรรมที่เป็นไปอย่างทุกวันนี้ที่เราสร้างกันอยู่นี่ในกลุ่มหมู่ชาวสวนนี้มีสภาพอย่างน้อยที่สุดนะอาตมาได้บอกไปในงานเสกนะั้นว่าวัฒนธรรมที่ดีมันเกิดจากหนึ่งปัญญาที่ดีในความฉเฉลียวฉลาดที่ดีที่ถูกต้องเคารองเคารอยเป็นสมาธิฐิ จนกระทั้งพิสูจน์จนเกิดยานเกิดปัญญาแน่ใจแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะปัญญาที่ดีเกิดจากปัญญาที่ดีเกิดจากความภาคเพียรบากบันที่ดนะีเกิดจากเหตุปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ดีพอเราเข้าใจแล้วเราก็สั่งสมมันก็จะเกิดเหตุเกิดปัจจัยเกิดองค์ประกอบขึ้นมามีทั้งวัตถุาธาตุสภาพสถานที่บุคคลพฤติกรรมความเข้าใจเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นองค์ประกอบหลอ่ลอล้อมขึ้นมาเนี่ย ค่อยๆสังเคราะห์ค่อยๆสร้างค่อยๆสร้งขึ้นมาเรื่อยๆนะมีเหตุปัจจั ย, ยองค์ประกอบที่ดีมีผลที่ดนะีมีผลที่ได้รับหรือว่าได้อาศัยที่ดีมันได้รับผลที่เราสร้างไปทําไปก็มีผลได้รองรับหรือได้อาศัยไปแล้วเราก็รู้ว่าเออผลอย่างงี้ดีแม้ว่าเราจะบอกว่านี่มาปฏิบัติธรรมกัเชาวโสงมีผลว่าจะกลายเป็นคนจนไปจนลงไปจนลงไปเรื่อยๆนะเนี่ยอ เพราะได้เข้าไปทํำได้ขอให้จริงถ้าจริงอย่างนี้นีรันไปเรื่อยๆแล้วก็อาศัยบำปฏิบัติตนด้วยอยากมีใจเบาบไแบบหลงในสันเริญเยินยอลงในสภาพผ้าู้นู้นผู้นี้เรื่องเงินเรื่องท้องไม่มีปัญหาแล้วเรื่องลาบเรื่องยศพอสมควรลดได้ลดตรงสรรเสริญเยินยอไม่มีมานะอัตตาครับอีกซ้อนอีกก็อาศัยสร้างไปสิมาเป็นตุนตนให้สูงขึ้นไปได้อีกพวกเราก็ สร้างสารรค์ขึ้นมาบังเพนตนกันขึ้นมาต่อไปก็จะสืบทอดกันมีคนในแบบนี้คนพันนี้คนเผ่าพันอย่างเงี้ยคนอย่างนี้ออกไปทํางานกับสังคมขอให้มีความจริงถึงความจริงเพราะงั้นวัฒนธรรมของคนกลุ่มอย่างพวกเราเป็นอยู่เนี่ยเป็นวัฒนธรรมของคนที่จะเข้าใจในเรื่องของรูปในเรื่องของทซัพย์ ในเรื่องของศีลในเรื่องของความขยันในเรื่องของความเป็นบุตรเป็นลูกที่จะสืบทอดกันต่อๆไปว่าเราจะไม่สิ้นสกุลง่ายๆสกุลของเราเป็นสกุลแห่งสมณโคดมเป็นสกุลแห่งพระสมานาสพุทธเจ้าเราจะสืบสกุลสืบเผ่าสืบพันนี้ไปอย่างนี้เอาหรือไม่เอา พูดไม่เต็มปากเลยเอา้าเสียไม่ได้เอาหรือไม่เอาเอาเอ เ, อเอข็มข้นขึ้นหน่อยอา่าถ้าเอาก็ต้องภาคเพียนมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายแต่ว่าต้องทมอัตมามองไม่เห็นทางจะแก้ปัญหาสังคมมองไม่เห็นเลยยิ่งระบบทุนนิยมเนี่ยเราจะสร้างระบบบุญนิยมขึ้นมา ไม่รู้ว่าเราไม่ต้องสะสมรอก ม, มันมร่ารวยได้เพราะความขยันหมั่นเพียรและสมรรถภาพของเราแล้วเราก็ไม่กอบโกยความร่ารวยด้วยเป็นเศรษฐีเศรษฐีคือผู้ประเสริฐกระดุมพีคือผู้ร่ารวยเราไม่ต้องร่ารวยแต่ก็อุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนเรามีอยู่มีกินมีใช้อาศัยแล้วก็สัพพัดไปให้คนอื่นได้ด้วยเศรษฐีคือผู้ที่มีแจกจ่ายเจือจานกระดุมพีคือผู้อุจจราระมาให้สุนทรรัตน์ทานไม่ต่างกัน เศรษฐีคืออะไรคือผู้ที่แจกจ่ายเจือจานมีแจกจ่ายเจือจานกระดุมผีคืออะไรคือผู้ที่อุจจาระกรรมแห่งสุนรรัตน์รับประทานนะครองจองกันซะด้วยนะ <c oughs> และไม่ใช่มีไปโกงเข้ามาสร้างสรรค์ขยันเพียรมีสมรรถภาพสร้างาราซัดนีแล้วก็และยิ่งมีคนมาทำบุญทําทานร่วมด้วยอีกเศรษฐีเนี่ยจะมีคนมาทำบุญทําทานร่วมด้วยอีกเศรษฐีแล้วก็สัพพัดออกไปแจกจ่ายเจือจาน ส่วนกระดุมพีเนี่ยเขาไม่งอคนมาทําทานทําบุญบริจาคให้เขาหรอกเขาโกงได้โกยได้หาวิธีระบบที่จะดูดเอาเปียอกอรัสมาได้กระดุมพีเสร็จแล้วก็ไม่มีทานเพราะเขาก็ไม่ต้องการให้ใครมาทานหรือใครจะมาทานเอาอีกด้วยนะพวกกระดุมพีนี่ใครจะมาทานให้เขาก็เอาและเขาเองนี่นแหละไม่ทานนี่แต่จะกอบโกยอย่างงี้มันพวกไม่เป็นเศรษฐี เป็นกระดุมพีนะเาระเราก็ได้ฟังธรรมะที่อาตมาเน้นเข้าไปหาเนื้อหาเห็นเน้นเข้ามา้เห็นแวดวงของมนุษยชาติแล้วก็เห็นระบบเห็นรูปแบบเห็นว่าสังคมมันควรจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วดูเอาที่อาตมาพูดไปแล้วก็ไปดูไปสังเกตไปอ่านว่าเราได้มีสิ่งเราที่ที่อาตมากล่าวนี้ขึ้นมาหรือไม่นะเอาละจบในการบรรยายธรรมะนั้น